ฟังผู้เราสวดมนต์สติประฐานเนี่ยจะชอบบทตรงที่ว่าเยวาเทวาอย า, ย า, ยานามัตตายะะเพียงเพื่อรู้เพียงเพื่ออาศัยระลึกอนิสิโตจวิหรติที่แท้จะเป็นผู้ที่ตัณหาที่แท้ก็คือความจริงเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏิมาใส่จิตนี้เกิดไม่ได้ใจเรานี่ทําไมมันว่างๆไว้ ใจว่างๆเหมือนเข้าวานพืชในนาเนี่ยพอหวานปุ๊บลงมมัก็งอกถ้าปล่อยไว้นานมันยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งรกขึ้นรกขึ้นดกขึ้นกลายเป็นนรกเป็มีอาการร้อนรกร้อนใจกระวนกระวายเป็นทุกข์ที่นี่ไม่ให้อะไรมาอาศัยจิตนี้มันเกิดอยู่กับภาวะที่สุนอยู่ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน นิสัตโตไม่ได้เห็นว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเป็นเ่าเป็นเขาเป็นกูเป็นมึงอะไรนะนิชิโวมีเรากเกี่ยวข้องกับอะไรเนี่ยไม่ได้คิดว่ามันอันนี้เป็นสัตว์มีเป็นสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตไม่ต้องไม่ต้องให้มันลุกลามไปปานนั้นสักด์แต่ว่ารู้เฉยๆนิสตโตนิชิโวสุนโยว่างเปล่า จากความสำคัญมันหมายว่ามันเป็นตัวเป็นตนเนี่ยทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยอิมังปูติกายยังประตัวสิ่งใ น, นก็ตามมาถูกต้องกับกายนี้มันก็เป็นของน่าเกลียดย่างยิ่งไปด้วยกันคือเป็นธรรมชาติน่ะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็หายเมื่อกี้เดินจงกรมอยู่นะบางสวดมนต์ไปแต่ก่อนคิดว่ามันหนาวแบหนาวห่มผ้าเป็นฤดูหนาวเนี่ยเป็นวัดเป็นไอน่ะ ไม่ต้องคิดว่าเป็นฤดูหนาวเริ่มจากจิตฐานเดิมธรรมชาติเฉยๆไม่ได้คิดว่าเป็นฤดูหนาวคิดว่าเออมาเดินตากอากาศทางเมีนเนี่ยเดินตากอากาศให้มันเย็นสบายมันก็เย็นสบายไม่ได้คิดว่าเป็นฤดูหนาวไม่ได้คิดว่าหนาวไม่ได้คิดว่าร้อนไม่ได้คิดอะไรมันก็เป็นธรรมชาติมันเฉยๆ เมื่อเราอยู่ในรูร้อนนี่เราไปนั่งตากพัดลมไปนั่งตากอากาศตรงโน้นตัวนี้ลมพัดมาเย็นสบายแต่พอเราคิดว่าฤดูนี้เป็นฤดูหนาวน้ําหนาวทะดเดียนะร่างกายรู้สึกโอ้มันต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะบริบทข้างนอกพาไปนั้นถ้าเราทําใจให้ละเอียดในทุกๆเรื่องทุกๆอันเนี่ยสมาธิมันมาและมีมุมมองชีวิตเป็นแบบธรรมชาติ ปัญหาคือเราชอบหลงไปกับอารมณ์ไปกับอกุศลอกุศลแปลว่าไม่ฉลาดจิตเรามันไม่มีความฉลาดในกระบวนการของการกระทบไม่ฉลาดเพราะอะไรเพราะมันขาดการเฝ้าดูให้ละเอียดมีอะไรก็คิดว่าคิดว่าแตนีเหมือนเราเกลียดใครสักคนเนี่ยเขาทําดีกับเราเราก็ยังไม่คิดว่าเขาทําดีนะว่ามันประชดประชันเนี่ยเราจะมอง ตั้งแง่ตั้งงามตั้งงอนไว้เลยว่าคนนี้เป็นอย่างนี้ถ้ารักใครสักคนถึงแม่เขาทําแบบประชดประชันทำแม่มันเหมือนอภัยให้ได้รับได้ยังไงก็รับได้คือมองเห็นแต่ความดีของเขาเพราะาจิตเราเปิดเนี่ยจิตเปิดกับจิตปิดไม่เหมือนกันนะนี้เราว่าปฏิบัติรมเพื่อเปิดประตูสัจธรรมเปิดประตูสัจธรรมใน ใ, นใจเราออกมัน ค, คล้ายๆแบบนั้นแหละเวลาเรามองอะไรในเงี่ดีเหมือน ในเงี้ยที่เป็นกุศลทุกอย่างเนี่ยคือจะไม่ให้โกรธเกิดขึ้นไม่ให้คนที่เห็นความโกรธเราเราเองก็จะไม่ให้จิตเราไปซับเอาความโกรธเกิดขึ้นแล้วมองอยู่ภายในได้ แ, แต่และลึกรู้ละลึกรู้เนี่ยมันก็จะไม่มีความโกรธ ถ, ถ้ามาอาศัยจิตนี้เกิดทีนี้สิ่งที่มันไปเกิดแล้วก็มีนะมันไปอยู่ข้างในมันมีเชื้อเกลียดคนนั้นชังคนนี้มันฝังไว้ในใจมีที่เราก็ทําความรู้ตัวะ ทำความระลึกรู้ตัวไว้เยอะๆทำให้มันต่อเนื่องเอาไว้สติสมัมปชัญญะเราเพื่ออะไรเพื่อล้างข้างในทั้งนอกกั้นไปละไม่ค่อยให้เข้ามาอย่างเรามาอยู่ที่นี่เราก็กีดกันเอาไว้มีระบบระเบียบไม่พูดไม่คุยกับใครโทรศัพท์เราก็ไม่เล่นเราอยู่กับปัจจุบันของเราเฉยๆจะมันจะเหลืออยู่ที่ข้างในข้างในเนี่ย ที่เคยปัสสะเคยพอใจไม่พอใจมันจะไปตกตะกอนอยู่ข้างในในใจเราเนี่ยอันนี้เป็นภาวะที่เราต้องเอาออ ก, กนะเนี่ยทาไมมันจะเอาออกได้ก็พยายามระลึกรู้ปล่อยให้มันฟูขึ้นมาดิอะไรจะเกิดมันเกิดปล่อยมันขึ้นมาล้างมานออกทีละน้อยละน้อยเมื่อเราขัดหม้อขัดไหเนี่ยหม้อเราไปต้มแกงบ่อยๆต้มบ่อยๆก็ล้างทุกวันทุกวันนนะแต่ว่ามันจะมีกลิ่นกลิ่นอาหารประเภทที่เราต้มเนะ่ะมีนะ ท้าไม่ได้จะเอออกได้ยญ้ามันซึมซับเป็นตะกอนตะกันยิ่งตะไคร่เมล้างเหมือนถ้วยเก็บอาหารเนี่ยวันนี้ก็ไม่ล้างวันนี้ก็ไม่ล้างเอาไปใส่อีกวันนี้ก็ไม่ล้างใส่อีกใจเราก็เป็นแบบนั้นแหละคือเราไม่ค่อยล้างใจมันหนึ่งไม่เคยกำหนดรู้ไม่เคยเห็นใจตัวเองมีิจะไปใส่เรื่องนั้นใส่เรื่องนี้ว่าขันใส่ขันขันเอาไปใส่ของได้สองสามสี่ห้าแบบใส่รูป ใสเวทนาใสสัญญาใสสังขารใสวิญญาณตกอยู่ในใจเราหมดเลยเขาเรียกรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันวิญญาณเนี่ยแปลว่ารู้นะสัญญาแปลว่าจําสังขารแปลว่าปรุงแต่งวิญญาณแปลว่ารู้มันรู้มันชอบรู้รู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้รู้เรื่องโน้นมันชอบรู้อะนรรู้รู้เรืนี้ไปเรื่อยใจเนี่ย รู้แล้วรู้ไปไกลใี่รู้ขยับไปนอกไปเป็นวิญญาณวิญญาณแปลว่าการรู้แจ้งทางอารมณ์ตาบอดจากู้วิญญาณก็ดับไปวิญญาณทางตาบรรดบกายถ้าเป็นอมภูษกอมภัท ก, ก็ดับไปวิญญาณคือการรับรู้เพียงแต่ว่ามันรับรู้บ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยมันซึมซับแล้ววิญญาณของเราไม่แตนนี่จะเป็นวิญญาณธรรมชาติเนี่ยมันกลับกลายเป็นวิญญาณเปรตวิญญาณผี วิญญาณเดรัจฉานะจิตเนี่ยมันไม่ได้หมายว่าตายแล้วจะว่าไปเป็นแต่พอสติมันอ่อนเนี่ยมันจะหลุดจากสภาพของความเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นพระเป็นพรหมเป็นเทวดามันหลุดไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปลือกเป็นสุรกายไปไกลจิตมันจะซึมซับแบบนั้นแล้วเวลามันเกิดอารมณ์มันก็เกิดแบบนั้นอนะเพราะมันไปเกิดแบบนั้นแล้วมันติดอารมณ์แบบนั้นแล้ว ติดราคะโทสะโมหะมันไหลไปตามมาเนี่ยวันวันหนึ่งนี่เรามาชำระใจเรามนุษย์มีสิ่งที่ดีก็คือทำไงจึงจะชำระใจของตนให้สะอาดได้อันอื่นนี่เหมือนกันมดสัตว์เนี่ยมีแต่สัตว์มนุษย์เท่านั้นเองที่ทำได้จิตเราไปคล้องแวะแค่ความใคร่เนี่ยยิ่งยากละป๊๊บขึ้นมาตัวแรกเลยและจิตเนี่ย มีหนึ่งกามมาฉันทะความพอใจความใคร่ในกามฉันทะกามฉันทะฉันทะแปลว่าพอใจพอใจในความใคร่ความใคร่ความอยากทุกประเภทเรเรียกว่ามีความใคร่ความอยากนั้นสังเกต ด, ดูดีแล้วมองอะไรเราก็อยากได้มองแล้วก็อยากเป็นมองอไรก็อยากมีจิตมันไหลไปอย่างนั้นแต่ดีอยากครอบครองอยากเป็นเจ้าของเนี่ย เสื้อผ่าสวยๆ ว, วัสดุงามๆไหนคนนี้สวยงามอยากมีผิวแบบนั้นอยากหน้าตาแบบนี้ไม่อยากแก่อยากหนุ่มอยากอ่อนอะไรก็ว่าไปทำเรื่องเนี่ยพอใจในกามรูปในรสในกลิ่นในเสียงเห็นไหมอยากกินอยากดื่มเราเดินจีบกมไปก็นึกถึงนะ่ะแต่เราก็ไปทําตามมันเวลาเราทําได้เราก็เรียกว่าฉลาด แต่ความจริงคือเราเริ่มเอาอันนั้นมาย้อมใจเราอีกละเอามาย้อมมันทุกครั้งทุกครั้งที่เราทำมันเราพลาดไหลตามอารมณ์นี่คือเราย้อมใจตัวเองขโมยกินเ น, นี่นั่นเอานี่มาดื่มเอานั้นไปสารพัด ท, ที่มันไหลไปเนี่ยคือมันถูกย้อมเราย้อมกิเลสตัวเองย้อมใจมันมีสีนั้นเดี๋ยวนี้เราจะคลายออกครออกล้างไม่้นมีสีถ้าเป็นหมอกก็ไม่มีกลิ่นแบบนั้น คือไม่ให้มีเชื้อนะ่ะเขารู้ออกจริงจริงนะเวลาเขาดมดูมอนดูหดูจานเมื่อันเคยใส่อันนีม้มานเนี่ยตัมละกอนะเนี่ยรูจ้จักเขาจะรู้จรินี่ใส่เราคือเราสแสดงออกอะไร น, นั่นอืมคนนี้รักมากชังมากโกรธมากเกลียดมากจริงชังสารพัดแต่ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นให้เราก็ว่าเฝ้าดูเออใจเราอยู่ประเภทไหนเนี่ย มันมีวิญญาณประเภทไหนในตัวเราพอมันมีวิญญาณวิญญาณประเภทไหนเนี่ยมันชอบปรุงแต่งรูปเวทนาสัญญาสถานวิญญาณเนี่ยแล้วแต่มันจะชัดเจนตัวไหนเกิดก่อนนะมันทีมีความจำแว๊บขึ้นมามีรูปนิดเดียวเองรูปความรู้สึกเนี่ยแต่ก็มีเวทนาพอจะไม่พอใจปุ๊บกลายเป็นความจำเลยดีเป็นสัญญา พอเป็นสัญญาปุ๊บไปเป็นสังขารปรุงแต่งไว้น่าจะดีอย่างนั้นน่าจะดีอย่างนี้อืมมันขึ้นมาแต่ดีอ่ะเป็นสังขารปรุงแต่งน่าจะได้พบน่าจะได้เห็นน่าจะได้กินน่าจะได้สัมผัสมันไปทันทีเลยเป็นสังขารพอเป็นสังขารปุ๊บก็เลยเป็ น, ปปนรูปเป็นร่างขึ้นมาเป็นวัตถุที่สําเร็จรูปเหมือนเรามาปรุงแต่งบัญญัติเนี่ยมันใส่แคบซูล พอบรรจุในแคปซูลปุ๊บก็จะกินอะไรตนี้กินแล้วก็เป็นนั่นเห็นไหยมันเป็นวิญญาณล่ะให้เราลองทํำเฉยๆกับมันดูที่เรสังเกตดูอย่างที่เอ้าเรานุ่งเสื้อผ้าน้อยๆนี่ก็มาดูใจตัวเองคิดอะไรกับมันไหมหนาวมากไหมได้กลินมาคิดอะไรกับมันไหมเบื่อไหมนายไหมชอบไหมขึ้นแค่ไหนดึงใจมัาเฉยๆดิเหมือนมวยน่ะ ถ้าชกกับเป้าที่มันเคลื่อนที่ชกกับคนซ้อมงบคนเนี่ยแต่ก่อนเขาจะซ้อมกับอะไรซ้อมกับเป้านิ่งซ้อมกับเวททาสักพักเริ่มละเอ้ามีคู่ซ้อมละคู่ซ้อมก็น้าหนักต่างเราหน่อยขึ้นมาน้าหนักเท่ากันโตกว่าเราคือซ้อมกับอาจานเลยทีนี้ชกกันไปชกกันมานี่ลงนวมเอากันยกใหญ่เลยทีนี้ซ้อมจริงกว่าจะชกซ้อมขี่ยกเนี่ย ร้อยยกสองร้อยยกนูนะแต่ไปชกจริงๆเนะี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นไทยไฟก็มีสามยกนะถ้ามากว่านั้นก็ตายคนเนี่ยาะสู้กันขอหมัดเดียวเวลาทำยิงเนะี่ยปัวอันเดียวนะลมตึงลงไปเลยแต่ซ้อมมาในซ้อมเป็นร้อยยกสามร้อยยก จ้าจริงชุกครั้งเดียวเพราะอะไเพราะต้องการความจานานไงการกําหนดรู้นี่ก็เหมือนกันเนี่ยกำหนดรู้ไปกําหนดรู้ไปกําหนดรู้ไปรู้เรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืยรู้ทีน้เล็กทีล้อน้อยสะสมไปเรื่อยเรยมันก็จะเริ่มตื่นตัวขึ้นนะสติสัมปชัญญะเราจะเริ่มเข้มแข็งขึ้นเริ่มโตขึ้นโตขึ้นแต่ถามว่ากําหนดรู้นี่มันกําหนดรู้ได้จริงๆหรือหรือเล่นอยู till, ่กับความคิดเดี๋ยวเนี้ เล่นอยู่กับความสลึมสลือเหรออยู่ความง่อยความเหงาเหรอเนี่ยเราต้องรู้จักนะถ้าไม่รู้เท่าทันตายตาในมองไปไกลๆอย่าไปก้มมองดูตีนมองไกลๆต้องมีความแปลกแตกต่างเหรอคือหนะวันแรกเป็นยังไงวันที่สองเป็นยังไงวันที่สามเป็นยังไงถ้ายังเท่าเดิมเนี่ยนะคุณต้องพิจารณาตัวเองดีๆต้องสํารวจตรวจสอบดูดีๆ มันต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็เงาสองวันก็เงาซ้ำวันก็เงาสี่วันก็งาจิตสลึมสะลืออยู่แบบเนี้ยมันวัดตรงไหนตรงว่าเอาเขาจะจบกับบ้านเลยเนี่ยยังไม่เกิดปัญญายังโง่เป็นหมูหมาตาเปล่าอยู่เนี่ยไปไม่รอดแล้วท่านมันต้องตื่นตัวจิตเนี่ยเราเสรฝึกสติเอาฝึกสติสองสัปดาห์นี้มันเป็นสมาธิมันเป็นสมาธิขึ้นมาบางหรือยังหรือยังเหมือนเดิม สมาธิเนี่ยมันจะแก้นิวร์เป็นมันแก่นิวร์ได้ที่นเราก็แก่นิวร์ไม่เป็นฝึกสติไม่พอจะเป็นสมาธิให้ซะทีตั้งแต่มานั่นความพอใจยินดีความใครใ่ในกามในกายในรูปเนอรูปพอสังเกตดูบ่าว่าอันนี้แหละมันพอใจยังพอใจอยู่รือในในรูปกายอันนี้ยังไม่เห็นว่าเป็นก้อนทุกข์อยู่อีกหรือ มันง่วงมันเหงามันเบื่อมันหน่ายคุณไม่เบื่อหน่ย า, หายบ้งเลยไอ้ความรู้สึกเอ็มเป็นแบบเนี้ยห่วงเหงาสลึมสลือเดี๋ยวเป็นโน่นเป็นนี้ไม่เบื่อหน่ายเลยไม่อยากหนีจากมันเลยบ้านหลังเน่าเน่าเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยเขาจะมีคำสามคํากามราคะความพอใจในอารมณ์กามอารมณ์เพศนะกามราคะอันที่สองรูปราคะรู ป, ปราคะ ความพอใจในรูปพอใจในกรรมเป็นเรื่องเพศต่อมาเป็นความพอใจในรูปรูปสวยๆงามๆเก่าๆโบราณอะไรประมาณเนี้ยอาจจะชอบบางคนชอบไก่เอาตั้งใจดีๆโยมเนี่ยตั้งสติดีๆไก่มันง่วงมันเหงาหลายวันแล้วเนี่ยยังไปไหนมาไหนไม่ได้อยู่เนี่ยทําให้มันตื่นตัว ฝากคำนี้ไว้หน่อยคนไหนที่ง่วงจัดๆเนี่ยภาษาจิตวิทยาเขาคนเซ็กจัดหลายวันในแก้ไม่เป็นเนี่ยคนเซ็กจัดเนี่ยมันจะง่วงมากไปตรวจสอบจิตตัวเองดูมันเป็นอย่างนั้นไหมอารมณ์การนี่สูงพวกเนี่ยเนี่ยพอพูดคำนี้ก็จะตื่นขึ้นมาแล้วนี่กลัวกลัวเขาว่ากูเป็นเนี่ย เราต้องหาคําอะไรที่มันเจ็บๆออกมาแดกหัวมันได้มันถจะอยู่เนี่ยดังนั้นไม่ได้นะตะปูตีไม่ได้ธรรมดาจับสว่านเจาะเข้าไปมันจะต้องตื่นอยู่ได้อ่ะคนอยู่ปกติย้อเชยรู้ตัวอย่างเดียวไม่ง่วงไม่เหงาเขาไม่ไปแล้วกามราคะติดในกามรูปปาราคติในรูปเนียอย่าได้อ น, นั้นสะสมอันนั้นสะสมอันนี้เสื้อผ้าพวกเนี่ย เห็นอะไรก็อยากได้กระเป๋าเนี่ยผู so like ้หญิงในเกินไปเครื่องสมองสมางทาได้ทาดีที่จริงมันไม่มีอะไรแต่มันก็อย่างว่านั่นแหละทําจนใบหน้ามันเสびดติดถ้าไม่ทาก็เหมือนไม่มีความมั่นใจต้องทาะแก้มมันไม่แดงแดงก็ต้องเอามาทาแถวๆนี้นั้นแป้งเขานี่เปิดออกมามันจะมีเป็นหลายจุดลงตาเห็นนะตัวนี้ขาวน้อยขาวมาก ตัวนี้ขาวแดงแล้วแต่ว่าเขาจะจ้ำมาอะไรแล้วมีผู้กันมาปัดอีกว่าไม่ได้ปัดไม่มีความมั่นใจออกเคียงบ้านไม่ค่อยได้หัวนะให้ออกไว้ให้หมาเหยียบซะแป้งนะความรู้สึกไงพอจะ ใ, จในรูปไหมนะเราไปสร้างความไม่มั่นใจก็มไม่มั่นใจเลยเนาะสร้างความมั่นใจมันก็มั่นใจเสื้อผ้าต้องชุดนั้นชุดนี้ไปสํารวจรีในบ้านนะ ในตู้นเอามาเผาตัวเองก็ได้เนี่ยไม่ต้องเอาฟืนพระนะเวลาไปเผาเนี่ยแค่เอาเสื้อผ้าเรามาใส่ในกระเพอแล้วซื้อได้ซื้อดีเพราะอะไรซื้อมาเพื่อประดับไง ม, มันเป็นเครื่องประดับแต่พระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่เครื่องประดับตกแต่งนะนัมมันธานัมันทยนัมันตะนานัมันเยนัวิปุสนายะ ยาว่าที่ว่าอิมัสากาัจสัตติยยายปนายัยญาณวิหิงสุปาลาัลลิกญามจัิกญาุกขจะจัจิปลนันนจัเบตนะปะิทังกตมีรวันจะเบต น, นะอุปเทซามีเราสวสดนะไม่ใช่ประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่เราเอามาประดับมาเพื่อตกแต่งไอประดับตกแต่งนี่แหละเราเสียเงินไปเพราะชีวิตเราเนี่ยหาเงินมาแทบตายยิ่งถ้าใครก็ตามถ้ามีพ่อมีแม่หาเงินให้ยิ่งใช้ซือวิสุลไยไปดูคนรวยนะ หบาทสิบาทเสลิงหนึ่งห้าสิบตังเขาเก็บหอมรอมริบนะเขาต้องรวยมองทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองมองทุกอย่างเป็นสินค้าเป็นราคาไปหมดนะแต่คนเรามองอะไรก็เป็นเครื่องประดับตกแต่งตัวเองตลอดเวลาเนะี่ยมันจะมีอะไรมากร่างกายดมมยออนะีมันไม่ได้เรียกร้องอะไรน่ะมันไม่ได้เรียกร้องอะไรแต่ใจเราเนี่ยมันไม่ได้รับการเติมเต็มไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดเขาไม่ได้ฝึกหัดมันก็สิ้นเปลืองขึ้นมา มันสะสมนั้นมาฝึกจิตเนี่ยฝึกใจฝึกมันดีๆไม่ให้มันมีความใคร่กามเนี่ยนั น, นทีมันเกิดแต่มันเกิดแล้วมันเอาออกอยากแต่พอใจในรูปมันเกิดตลอดมองไปท่าไหนเนี่ยมันพอใจตลอดแต่ไม่ไดาจิตเนี่ยเขาเรียกว่ารูปปราค า, า, า, ค, า, ปป า, ค, าความติดในรูป บางคนนะั้นหลวงตาเคยได้ยินติดไก่ชนก็มีติดไก่ช น, ชนเขาไปนอนอยู่ในสุ่มกับไก่นะรักไก่มากจนเมียหงุดหงิดได้เผาสุ่มทิ้งก็มีนะเพราะอะไรบานติดในรูปบางคนก็ติดในรถเขาไปรู้สึกมีความอบอุ่นอยู่ในรถเนี่ออกจากรถไม่ได้ติดคืนนี้พี่ไม่ขึ้นไปนะพี่จะนอนอยู่ในรถนะก็มันพอใจในรถนะ ไม่ใช่รสชาติอาหารนะรถยนต์เนี่ยนั่นมันพอใจไห ม, มว่าเวลามันหลุดเวลาหายไปมันจิตโกรธมากเกลียดมากใครเอาอะไรมาขีดซะหน่อยจะตายแล้วพอใจในรูปบางคนพอใจติดใจในดอกไม้เครื่องสวยเครื่องงามะประดับตกแต่งบ้านเรือนเป็นโน่นนี่ต๋องปูนั่นปูนี่ปูพรมปูอพอใจในการสัมผัสกับรูป ห่วงถนุตนอมตีนเนี่ยตีนก็ห่วงสนมมากขนาดเข้าไปในบ้านตัวเองยังต้องใส่รองเท้านิ่มๆ น, นั่นอีกต่างหากต่อไปนี้จะหารองเท้ามาไว้บริการใครขึ้นมาทวัดใส่รองเท้านิ่มขึ้นมาเกินไปอันนี้ก็ไม่ต้องให้มันมีไม่ต้องมีอะไรเลยตีนเนี่ยให้มันสัมผัสเท้าบ้างเห็นไหมพระกรรมฐานเขาประท้วงชีวิตนะเดินตามถนนลาดยางไม่ต้องมีรองเท้าเลยเดินปุ๊บปุ๊บให้มันเหยียบเจ็บ กูจอการมันเจ็บเจ็บไม่เจ็บมันคิดออกไปข้างนอกนะทะนั้นให้มารู้การเจ็บนี้เขานึงบอกว่าบางคนปฏิบัติธทำทุกข์หาทันทาปัญญาปฏิปทาปฏิบัติแบบเจ็บเจ็บจึงจะรู้บางคนสุขหาทันทาปัญญาปัญญาปฏิปทาคิบปาปัญญาปฏิบัติแบบง่ายง่สบายสบายก็รู้แจ้งบางคนแต่บางคนเจ็บเจ็บนะจึงรู้แจ้ง จึงแล้วลึกรู้เลี้ยงอยู่ปัจจุบันเป็นนั้นเขาต้องมีไงแล้วรู้กายแต่บางคนเนี่ยลึกรู้เวทนาดูเวทนาหรือ ล, ลึกรู้เวทนาดูเวทนาเห็นเวทนาที่มันเกิดมันดับเนี่ยข้อเริ่มอยู่กับปัจจุบันเป็นแต่ก่อนไม่เป็นนะี่ะมันไหลมันไปอยู่กับเวทนามดอันนี้ เวลาเวทนาเกิดขึ้นไปยินดีไปพอใจอันนี้รู้เฉยเจยนะเวทนาเกิดขึ้นก็เห็นเฉยเอยนั้นระวังดีๆชีวิตเนี่ยไปอยู่กับรูปไม่อยู่กับกามก็อยู่กับรูปถ้าถั ด, ถดออกจากรูปละ่นะนักปฏิบัติทมก็อยู่กับอารูปอารูปอารูปผู้จักอรูปอารูปก็สิ่งที่ไม่ใช่รูปอยู่กับคาชื่นชมสรรเสริญเห็นไหม คนยกย่องบางคนซาลาเฉิญบางเราก็ยินดีแล้วก็พอใจจิตมันไปอยู่อย่างนั้นอ่ะก mm ็ hmm. เรียกว่าอารู้หรือบางคนก็ติดอยู่กับสมาธิชีวิตมันเริ่มไหลไปตามอารมณ์นีในเบื้องต้นเนี่ยไหลไปตามอารมณ์มันไหลไปตามอารมณ์ไหลไตามความคิดที่สองคนปฏิบัติธรรมเริ่มควบคุมจิตเป็นพวกนี้มีสมาธิละผู้มีสมาธิมันจะควบคุมจิตเป็น เนี่ยเนี่เนี่ยลืมตาขึ้นกว้างๆมองไกลๆคนอยู่แก่แคในถมน้ําลายใส่ตามานอนอย่างนีมันหลับมันจะตื่นขึ้นมาทันทีนะเนี่ยโทษใครเนี่ยอที่มันหลับๆอยู่เโทษใครโทษพ่อแม่เธอเหรือมัน บ, บ๊อปุกไห้อยู่เงื้ยนกับบ๊อบปุกปล่อยมันนอนอยู่ผระมาณคานอนคามันตื่นขึมม้นมาเป็นยังไงตื่นขึ้นมามันงดงิดอืมเป็นตาเสียแตกม นี่มียายคนหนึ่งเนี่ยลูกสาวแกจบปริญญาโทนุนะ่ะชอบมาวัดล่นตาลราไปทำเอา้าลูกสาวไปใส่อะอีเนี่ยมันไปใส่มันก็บวเตือนมันนะไอ้ตุตาจะปาก เ, าเป็นยังจะบ่อ้ปากวะมันตือนขึ้นมาเสิเปื่องเงินมันนะพอมันตื่นขึ้นมามันจะขอเงินวันนี้วันเสาร์อาทิตย์มันไม่ไปทํางานไม่ไปโรงเรียนมันไม่ไปเรียนหนังสือ ถ้าตื่นมาไม่ได้ขอเงินน้ำมันเติมรถมอเตอร์ไซค์มันจะไปแล้วจะไปแล้วมันก็ชอบไปกินข้างนอกกินนั่นกินนี่ถ้ามันตื่นมามันเบิ่อตัวเดียวตอนทหนจะปากมันเอาปล่อยมันหัวตัวเลยหัวค่าบ่แล้วนะให้มันหลับตั้งแต่เช้าซะหลาไปจนถึงตอนค่ำเนี่ยมันเพิ่งเล่นอินเทอร์เน็ตจบตอนตีสามนี่ปล่อยมันถึงค่ำเน่ะ ค่ำแล้วก็มืดพอมันมืดแล้วก็มันไม่ได้ลงไปหากินหละทีเนี้ยไม่เปืองเงินทิ้งมันไว้นะครับงท่านวันหนึ่งมัจะให้มันนอนเช้าถึงคำ่งคำแล้วก็ไม่ได้เสียเงินว่ะโอ้เลี้ยงลูกยังไงเนี่ยเขาบอกเขาเสียใจเอาเข้าใจมันมาตั้งแต่นิดแต่น้อยมันตื่นขึ้นมากลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้กลัวไม่ได้อยู่ไม่ได้กินเลยปล่อยให้มันนอนโอ้ยเป็นโมคะนั่นแหะโมคะบุรุษโมคะสตรีโมคะบุรุษบุรุษไปว่าคน คนโมคะคนไร้สาระจริงๆอะ่ะตื่นนอนวันาร์นอ น, น, น, อนจนค่ำจนมืดเนี่ยเกินไปเนเนี่ยไม่มีสติไม่มีปัญญา เ, าเลยคนเราต้องตื่นมาแล้วสามาร ถ, าารถต่อสู้กิเลสได้อันนี้มันอ่อนแอเกินไปเป็นเด็กแง่เนี่ยมันไม่โตเป็นตื่นมาก็อยากกระทบนั่นกระทบนี่เวลาพ่อแม่ไม่ให้ก็เสียใจงดยิดปฏิฆะ คุณแม่จะให้หรือไม่ให้คุณพ่อจะให้หรือไม่ให้ใหหใหถ้าไม่ให้หนูไม่ไปโรงเรียนให้นะ <c oughs> อหอหึมันอยากให้พูดกับลงตาแล้วเขินคําเนี้ยสร้างแม่มึงแล้ว น, น, นะบ่ไปโรงเรียนให้ได้ปไปนะใครจะบุไปโรงเรียนให้เจ้าไอ้ที่มันไปโรงเรียนเนี่ยมันไปให้แม่มันไม่ใช่ไปให้มันนะมันว่าวันเรียนหนังสือเนี่ไปพ่อแม่นะถ้าแม่ไม่ใจให้หนูหนูไม่ไปให้แม่ก็รู้สึกว่าเจ็บปวดขึ้นมาแต่ดีนะเพราะรักมันไงเอาความรักไปฝังอยู่ในหัวมันเนี่ย ไม่ได้มองว่ามันเป็นวัตถุสิ่งของเฉยๆมันเป็นก้อนเลือดที่เราผลิตออกมาเนี่ยแล้วมันก็มาเรียกร้องเงื่อนไขอันนั้นอันนี้กับเราโอ้เราไม่ปล่อยวางมันเป็นถ้าจะมีมันน่ะเราต้องเลี้ยงมันให้มันเป็นถ้าเราไปพูดมากมันก็หงุดหงิดมันแหวมมาใส่เนี่ยเจ็บตาีย็นเป็นทุกข์เจ็บใจเนี่ยคุณตาบอกให้หลายคนอยู่เวลาเลี้ยงลูกเนี่ยเลี้ยงให้มันเป็น อย่าให้มันเป็นแม่เราเกิดมาเนี่ยอย่ามันมีอิทธิพลเหนือจิตใจเราทํำไงไมันเป็นแล้วนะบางคนก็ บ, บรรลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะลวงตาช่วยลดน้ำมลให้มันหน่อยนะอยากให้มันดีขึ้นไปน่นไปนี่ดวงตาไปเอาน้ำมลเลยไปลดนะ่ะเอายาเรนเนดนะฟอริดรอนพวกเนี้ยเอาใส่ในกับข้าวให้มันกินนะมันพูดยากนะเอายาเบื่อหนูใส่ให้มันนะ่ะข้ามันตายซะ เอาลืมตาขึ้นเนี่ยเนี่ยมองไกลๆ ก, ก็เลยบอกว่าโอ้ลงตางไม่ใช่อะไรหรอกนะเวลามันตายเนี่ยเราเสียงานค่าศพอย่างมากกว่าหมื่นหนึ่งอะลงทุนไปซะค่ามันทิ้งบุง่ายๆคนไม่รู้หรอกเราก็ไม่ต้องเอาแพทย์มาชนะสูตรตายทำเราน้ำลายฟูมปากมือแล้วก็เช็ดซะเก็บไว้ศพถึงเวลาก็ไปเผาในวัด เสียประมาณค่าสวดศพก็ประมาณห้าพันหมื่นหนึ่งนี่แหละยิ่งถ้ามาเผาวัดสมนั้นี่ฟรีทุกรายการแต่ถ้าเก็บมันไว้นะมันผ่านสมบัติเราอะความสุขเราก็ไม่มีเราก็ตุตื่นมากระเพราะอีนี่เพราะบักนี่วุ่นวายเลยกูอย่างนั้นี๋ยวเอาปืนย่า๋ยวอะไรไปยิงนะเอายาพิษเนะ่ยใส่กับข้าวให้มันมันชอบกินอะไรทีใส่เนี่ยนั่น น, นะเสร็จปุ๊บกเสียไปแค่หมื่นเดียวเองแต่ถ้ามันอยู่เนี่ยมันเอาเงินเราเป็นล้าน อีแม่ค อ, อยจะได้รถยนต์ดิแม่ อ, นนอยากได้อันนี้แน่มันรู้สึกว่ามันไม่เป็นที่ประทับใจเราเลยเนี่ยลูกแทนที่เกิดมันปุตตะทําให้พ่อแม่ขึ้นจากขุมนรกไม่เป็นทุกข์ช่วยเหลือทุกอย่างตือนมาแม่มีแต่จิตดีๆชื่นชมเน่ะตือนเช้าม่าก็ถูบ้านตือนเช้าวก็เก็บกวาด น, น่ะเอาน้ำมาให้แม่ดื่มโอ้เกิดมานีเพื่อยกระดับความทุกข์ของแม่ให้สูงขึ้นนะเนี่ยให้ดีขึ้นให้สลายหายไปเนี่ย เก็บที่นอนมอนมุง้งทากับข้าวกับน้าอยู่บ้านอยู่เรือนแม่ไม่เคยทุกข์ใจเพราะมันเลยไม่เคยหงุดหงิดไม่เคยอะไรเลยไม่ได้เห็นแบบลูกเป็นตุ ก, กตาของเล่นของแม่ถ้ามันหงุดมันแตกแม่ก็เสียใจแลยไม่ใช่เกิดมาเพื่อช่วยยกแม่ขึ้นจากพ่อแม่ขึ้นจากนรกชื่อว่าขุมปุตตะพ่อแม่ทุกพ่อไม่มีลูกทุกพลูกชั่วดูนี ทุกข์เพราะไม่มีลูกนี่ก็ยากแล้วแต่มาทุกข์เพราะลูกชั่วลูกตามใจนี่ยิ่งหนักเขไปอีกนะเราก็ช่วยเหลือเขาเอาบอกลบแล้วเชื่อฟังหลวงตาดิถ้าเก็บมันไว้เนี่ยเป็นแสนเป็นล้านนะถ้าจัดการวันนี้สักประมาณหมื่นหนึ่ค่าเผาศพเนี่ยมันก็น่าจะจบนะหลวงตาคะแนนําหลายคนนั่นที่มาหาหลวงตาข้ามอะไรข้ามมาเลยวะที่เก็บหัวมันไว้ สอนทุกอย่างคนมันชอบมาพูดในฝั่งลูกไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เนี่ยหลวงปู่สังเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยลูกเขามาฝากเนี่ยโอ้าพ่อไม่ดีเขาว่านะแต่ก่อนเขาว่าลูกไม่ดีอันนี้พ่อไม่ดีหลวงตาว่าเอามานี่เอามานี่จะมาทําสะอาดให้มาปัดกวาดนะชําระล้างถ้าไม่ดีจะฆ่าทิ้งเหมือนกันเลยเนี่ยปรากฏว่าดีเนี่ยเป็นของดีเอานี่โมนิโมนหันหน้าไปให้ญาโยมดูหน่อยหลวงปู อ้าวม้วนนี่ม้วนแน่ น, นเห็นไหมเนะี่ยบอกจงไหนได้เพิ่นกดว่าจบไหลนี่นี่เพิ่นพยายามให้มูหันไปน้ำหนิมันเนี้เอาผู้ดเดียวนี่ก็ได้เร้อเนี่ยใช้ได้เอามันกันหน้าเอาให้อยู่นะมันเหมือนวัตถุสิ่งของช่วยกันพัฒนาโลกพัฒนาสังคมมาอยู่วัดก็ช่วยกันพัฒ น, น, น, นาวัด เอาคนแกก็พัฒนาตามแก่หนุ่มก็พัฒนาตามหนุ่มเอาใจใส่คนนั้นคนนี้มันดีอ่ะมันก็ได้อยู่ด้วยกันได้อา้ามาทําหน้าที่หลวงตาพูดให้ฟังหลวงปู่สังทำให้อยู่เนี่ยครูบาอูอยู่ให้เห็นเนี่ยครูบาทําให้สัมผัสเนี่ยคนเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าการแสดงธรรมต่างคนต่างแสดงมันก็เป็นประโยชน์ต่อคนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยได้ประโยชน์ อันนี้ขอเราใจอ่อนเราใจน้อยเราไม่อยากฝึกอะไรที่มันดีดีขึ้นเฮ้ยมันต่างคนต่างกมว่าไปนะเหมือนป่านี่แหละมีเถาวันมีต้นไม้มีไม้เลื่อยไม้แก่นไม้โตไม้อ่อนสังคมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นขอให้มันเป็นอย่างนั้นเถอะแต่ต้ไม้นี่ขอให้ทาหน้าที่ของมันนะ่ะต้นไม้น้อยก็ถึงที่สุดของไม้น้อยไม้ใหญ่ก็ถึงที่สุดของไม้ใหญ่ แต่เดี๋ยวนี้เราเป็นมนุษย์เนี่ยมันสภาวะมันเสมอกันนะมันสามารถรู้แจ้งได้เหมือนกันสามารถฝึกหัดดัดจริตนิสัยได้เหมือนกันนะแต่ทําไมมันไม่ฝึกที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพราะไม่เจอไม่เจอครูบาอาจารย์ไม่เจอความสอนไม่เจอเขาเรียกว่ามันไม่สดับไม่ได้สดับพอมันไม่สดับตับฟังไม่ได้มีคนบอกให้คิดเรื่องนี้มันก็เลยไม่มีโยนิสุนมณสิการในเรื่องนี้แต่เรามาปฏิบัติตามเริ่มสังเกตละอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะจิตเราใช่นะ้วเนี่ย ตื่นสายนะเนี่ยชอบนุ่งอันนั้นชอบใส่อันนี้ชอบสิ่นเปลืองโอ้ยบ้านนอกนแค่เสื้อผ้ายังไม่มีเลยญาติโยมมาทำบุญลุงตาลุงตาให้ไปเอา้าให้ไปพันหนึ่งทำกับข้าวนะกับน้ำนะแทนที่จะไปซื้อเสื้อใส่เนี่ยเสื้อก็ยังขาดเหมือนเดิมตรงตางตาก็มาพิจารณาด้วยตัวเองว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปซื้อเสื้อใส่ใหซื้อผ้าใส่ ทำไมนุ่มขัดขาดมาเขาว่าเงินจะหาได้พันหนึ่งในแทบยากล ะ, ะไปซื้อกบเข้ามาถวายพระดีกว่าเวลามาเดินจุกรมเนี่ยมันเกิดปีติขึ้นมาแต่เนี้เกิดสะท้อนใจอะ่ะกินแล้วนอนจะได้ไงในความคิดเขาแทบไม่มีเสือ้อผ้าใส่แต่เขาเห็นความสำคัญเรื่องค่าใช้ใจ่ายในการบำรุงรักษาพระศาสนาเนี่ย ไอ้ตัวเราเป็นตัวศาสนาจริงหรื อ, อยัง น, นีนะหรือเป็นตัวเหลือบตัวอะไรตัวศาสนาที่เขามาอาศัยผ้าเหลืองนี่เฉยเฉยชาวบ้านเขาไม่ค่อยมีนะแต่ว่าเขาฝืนเคยเห็นความทรงจำเอออันนี้มันทนนุ่งได้เฉพาะใส่ได้เนี่ยที่จริงผ้าในวัดนี่ก็เยอะนะถ้าเขาไม่ลังเกียจลงตา ว, ว่าผ้าเก่าล้มตาเขามีเอาไว้นะแต่เขาไม่เอาเป็นผ้าเหลือง มันจะได้รีไวล์แองเกอริลืมตาลืมตามองไกลๆมองไกลๆกลีเด็ดหนากีเด็ดหนาก็มันหนาไงแกะมันไม่ค่อยออกเนี่ยไอความรู้สึกตัวมันน้อยมันแกะยังไงก็ไม่ค่อยออกดัน้นมันไม่มีอะไรชีวิตเนี่ย เราก็สวยด้วยคุณธรรมสวยด้วยคุณธรรมพูดนะค ร, รับว่ามีสันคติมีสติมีขันติมีวิญญามีสัจจะอยู่ภายในมันสบายแทนที่เราจะไปะติดอยู่ในอย่างที่ว่ามาติดในกามในรูปต่อพัฒนาสติเราเป็นสมาธิพอเป็นสมาธิสามารถควบคุมจิตได้อยากให้คิดก็ได้ไม่อยากให้คิดก็ได้มีสมาธิตลอดเวลาเนี่ยศา ส, สนาทั่วไปเขาจะมีสมาธิเอามาควบคุมอันนี้ สะกดจิตเอาไว้กดมันไม่ไปคิดใหม่อะไร เ, เขาก็มีนะแต่ว่าพุทธศาสนานี่มันเลยจากนั่นไปอะมันไม่ใช่มีสมาธิธรรมดามันเป็นปัญญาพุทธศาสนาเนี่ยปัญญารู้แจ้งจนกระทั่งคลายความอยากคลายความอยากความยึดติดแล้วมันก็อยู่ได้แบบเฉยๆคือมันเห็นโทษแล้วนี่ยเห็นโทษของรูปวันนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ต้องมาดูแลรักษา อีสพักมันก็เปลือยเน่าผุพังไปตามธรรมชาติมันเราก็เห็นมันเราก็ใช้ตอนมันมีเฉยๆใช้เลยใช้เป็นเครื่องมือใ น, นการแสวงหาสัจธรรมพลางกายเนี่ยพามันเดินเจ็บแข่งเจ็บขาไม่เจ็บเมื่อยไม่เมื่อ ย, อยแต่เราก็เอาทีละเจ็ดวันแล้วก็หยุดเจ็ดวันทีละหยุดแต่บางคนเจ็ดวันมันยังไม่ได้เอาอีกเอาอีกอยู่ในนัน้สู้อีกเรื่อยๆจนกระทั่งวันสบาย จนกระทั่งว่าเข้าใจเกิดรู้แจ้งเห็นจริงเข้าใจเกิดตัวรู้ตัวเห็นขึ้นมาสติสัมปยะแต่ก่อนมันไม่ตื่นปลุกมันทุกวันปลุกมันทุกวันเนี่ยในสุดมันก็ตื่นตัวนะโดยเฉพาะคนไหนที่มีความรู้ความสามารถความเข้าใจมีการศึกษาดีเนี่ยเพียงแต่ลดมานะละทิถิลงสักหน่อยเนี่ยตกจากความเป็นเทวดาคนร่ารวยเนี่ยมันเป็นคนจนธรรมดาผมผมว่าเคยเป็นเทวดาก็คือคนสะดวกสบายติดอะไรสะดวกสบายมาก ลดซะลงมาเป็นคนธรรมดาตกลงมาอยู่ในเมืองคนเนี่ยเป็นคนธรรมดาธรรมดานี่คือยอมทุกข์ยอมสุขยอมเมื่อยยอมเจ็บยอมปวดแต่ก่อนอาบน้ำร้อนเนี่ยแต่ก่อนนอนพรมเนี่ยอ้าวธรรมดาละศึกษาเรียนรู้ไปสักพักมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเนี่ยค่อยค่อยหนุนเข้าหนุนเข้าอีกหน่อยเราจะได้ปัญญาที่แท้จริงมาใช้กับชีวิตเราต่อไปนะนอนดีก็ได้นอนไม่ดีก็ได้ เมืเรามาบวชมาปฏิบัติธรรมอุจจาระไยนะมหัสยานาเวรมณีเนี่ห้ามนอนในที่นอนอันสูงนะไปในยัดนุ่นยัดสำลีด้วยมันเขาห้ามเขาห้ามนุ่มห้ามนิ่มนะเพราะอะ้ร ก, ก็ให้มันหลงน่ะหมอนของพระเคยเห็นไหมหมอนพระไม่ไปห น, นี้หมอนพระเนี่ยเนี่ยเคยเห็นไหมเดี๋ยวจะหยิบมาให้ดูเนี่ยหมอนหลายใบ เพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องการให้มันหนีบหัวไว้เนี่ยในเพล น, นี้เรานอนลงไปมันจะหนีบไยมันพลิกคอไม่ได้นะหมอนพระเนี่ยเพราะอะไรเขาให้รู้สึกนอนท่านนี้รู้สึกเวลามันจะพลิกหัวไปโอ้มันหนีบหัวคูณอยู่เนี่ย เ, เนีย่ยแต่ผ้าเช็ดตัวรองสักน้อยผ้าอาบน้ําผ้าอะไรก็ได้ลองลองแล้วมันจะรู้สึกมันบังคับให้รู้สึกตัวบังคับให้รู้สึกตัวให้มีสติลองไปดิกลับไปเนี่ยไปซื้อในร้านสังกัณฑ์นนะ คนปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาไปนอนที่บ้านลองดูดิฉันจะนอนหมอนพระละหมอนพระเวลาอันนั้นเข้ามันจะคลึบเข้าแบบนี้มันเป็นแผ่นเล็กๆนะเป็นไม้แต่เขาเจาะแต่เวลากลางออกมาจะขึ้นแบบนี้เรื่องนอนในง่ามนี่เตา ก, ก็ตั้งเดี๋ยวเวลาพลิกนี่มันจะรู้สึกตัวบังคับให้เรามีสติโดยธรรมาชาติไงแต่คนไม่ชอบไม่ชอบฉันชอบสบายมากกว่าอะไรประมาณนีสมัยก่อนลงตาเป็นเด็ก เรียนหนังสือไปอยู่กับหลวงพ่ออ่านหานังสือในวัดไม่ให้หนุนหมอนเน้นนะขอห้ามหลุนหมอนหลุนอะไรมะพร้าวห้าวมะพร้าวแห้งนะหนุนหมอนนอนท้องหนังสือต้องสปีดที่จะถ้ามันหลับมันกหล่นพุกลงไปนู่นเนาะมะพร้าวนะควบคุมไม่ได้มันหมุนนะมันวิ่งมันกลิ้งหัวฟาดพื้นเนะ่ะมันก็ไม่กล้านอนถ้านอนก็ให้นอนบนมะพร้าวเขามีอุบายในการฝึก เดี๋ยวนี้ลูกแม่ลูกแม่มีทุกอย่างอย่าว่าแต่คนเลยไม่แต่หมายังได้นุ่งเสื้อเดี๋ยวนี้ยยังสวมเสื้อสวมผ้าให้มันหมาเนี่ยดูดิเอาใจมันมากเอาลืมตาญาติยมลืมตาขึ้นกว้างๆมองไกลๆดูตัวอย่างหลงปูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแจ่มใสเนี่ย น, น้อยน้อย จำเสยน้อยๆนะตายหิบหิบซะเนี่ยยืดหงายยืดตาลืมตากว้างๆมันยากเย็นไปะนะั้นเหลอทำไมาก็โอ้ไม่อย่างว่านะโยมมาผิดที่แล้วไปหาอยู่สํานักเขาหลับตาโดนเถอะนี่ยมันสํานักลืมตาอเนี้ยสําหรับหลับตาพวกก็หลับอยูนี่แหละเนาะบางคนยกมือขึ้นกระค้างอยู่ก็มีเนะี่ยบางคนลงมาแล้วก็หายไปไะ มันทีมันเข้ามาอย่างนี้ได้โดยธรรมชาติไม่นั่งสมาธิเอ า, ราหรอกเนี่ยมันก็สายแล้วเอียนแลน้วเห็นไหมมันไม่เข้มแข็งเพราะนั้นลืมตาขึ้นมองไกลๆล่งตาลืมตาดีๆเดี๋ยวเบาหวานขึ้นตาเนี่ยเป็นโรคเบาหวานเนะ่ยยาโยมไม่ได้เป็นโรคเบาหวงเบาหวานไม่ได้เป็นอะไรเนะี่ยทําไมไม่ลืมขึ้นมาตาเนี่ยตีขึ้นมาดิเดีย๋ยวจะให้พลิกคนละลูกๆนะเนี่ยจุ่มนม้ำแบบจุ๊บเข้าไปเนี่ย สว่างสไยขึ้นมาดีอ่ะแต่เัาเป็นด้วยเวทนาแต่นี้เราด้วยสติอันนี้เห็นโทษของการนอนมันเป็นอุปสรรคอุปสรรคในการที่จิตจะเป็นสมาธิเข้าใจไหมจิตมันไม่เป็นสมาธิแล้วมันเป็นการรู้แจ้งนั้นหลับบ่อยบ่อ ย, อยก็เหมือนกันเติมเชื้อให้มันบ่อยบแล้วมันติดแล้วมันออกยากไปเรื่อยแต่ถ้าเติมเชื้อ สติและเลึกรู้พยายามเริ่มตามขึ้นเห็นโทษเห็นอะไรเืๆมันจะเริ่มผ่องใสขึ้นผ่องใสจิตมันจะเริ่มเป็นสมาธิมากขึ้น่เพราะเราต่อสู้กับความม่วงเป็นมันจะไม่เกี่ยวกับรูปละทีเนี้ยผ่านได้เป็นวิปัสนาติดกายติดกามติดกายติดรูปติดอรูปอรูปก็คือลาบยศสรละเสริญชื่อเสียงคนยกย่องคนโอยรู้สึกว่าโผ่่ใจพ อ, องโตเห็นไหมไปอยู่กับสิ่งที่มันไม่มีอ่ะ บางคนอยู่สิไม่มีคือติดอร่อยติดเห็นติดได้ยินได้ฟังติดเนี่ยติดรูปพวกหนึ่งติดอารมุปก็ลาบยศเสริเสริญคํายกย่อ ง, องคําดูถูกเขายกย่องก็ดีใจเขาดูถูกเหยียดยามเลยนี้ยนี่ไม่มีผลงานจะตายให้ได้ทุกเห็นไหมชีวิตเนี่ยนั้นลงตาวอกเลือกเอาชีวิตเป็นพระดีกว่าดีที่สุดแล้วชีวิตเป็นแม่ชีเนี่ยดีกว่าไม่มีใครว่าไม่มีเจ้านงเจ้านายนะคือมาฝึกเป็นเจ้านายตัวเองไง มาฝึกละลึกรู้อยู่กับปัจจุบันของตัวเองเยเดินไปเดินมาอยู่กับปัจจุบันมันอิสระมีอย่างาเดียวคือจะมุ่มานะไปสู่การบรรลุธรรมการรู้แจ้งเห็นจริงในสัจจะเท่านั้นเองมิปเสนาก็เกิดขึ้น น, นั้นชีวิตของคนที่กําลังเดินทางนะกําลังเดินทางกําลังก้าวย่างไปสู่สัจธรรมเนี่ยเขาจะมีศรัทธามีศรัทธานะศรัทธาต่อพระศาสนามีศรัทธามีความเชื่อ ต่อการปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างเต็มที่มีศรัทธามีศีลรักษาศีลไว้ไม่ผิดศีลผิดธรรมมีสุตะสุตะก็คือความระลึกหลัความฟังได้ยินในฟังเป็นคนฟังบ่อยๆแล้วเวลากลับไปบ้านทนี่เราจะฟังเรื่องข้างนอกนะฟังเพลงนะฟังหมอลําฟังโน้ตใหม่แล้วฟังธรรมอะไรที่เป็นเส้นทางการเดินของชีวิตเนี่ยเขาจะไปฟังอันนั้นน่ะ ฟังเหมือนกันฟังมากได้ยินมากได้ฟังมากฟังแงมุมต่างๆมีโยงคนหนึ่งอยู่ที่ลานทองที่ประตูน้ำขยันขยันแก่แล้วนะไม่เคยเดินจงกรมสักทีไปปฏิบัติไปทงรงโรงทาอยู่ที่เชียงรายเดินจงกรมดียังอ่ะคนแก่นะแต่พูดภาษาฝรั่งเก่งมากเดินจงกรมทำความเพียรเขาเดินดีเดินจงเข้าใจรลวตามไม่ได้ว่าืออคนจีนเนาะ เขาจะกล้าลงทุนวันนั้นนะแต่เขาก็ลงทุนสบายจ้ะเมื่อกี้ลุงตาไปกอดช้างโธ่อยากไปด้วยก็ตกลงว่าไปแต่พอคนขึ้นรถตู้เต็มเขเตรียมตัวมาแล้วลุงตาวะไม่ได้ไปล่ะคนเต็มรถแล้วโอ้อย่างนั้นเหรอโอ้ไม่เป็นไรโอกาสหน้าเนาะลุงตาเนาะเนี่ยโอ้จิต ด, ดีอย่างน่ะคือรับได้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้เนี่ยไม่เป็นไร เขาเดินจุกมดีเขามีแต่ว่าอยากเอาลูกชายมาปฏิบัติธรรมลูกชายอยู่เมืองนอกไปนะเอามาฝึกมันทําเออวางไว้นั่นแหละนี่นะแต่ในบ้านหมดบ้านก็มีคนตั้งใจฝึกกันนี่คนเดียวนะ่ะฝึกตอนแก่ด้วยฝึกนี้ไม่ใช่ไปฝึกพเพราะเลื่อมสายดงตานะเพราะเขาไปหาหมอหาหมอผิวหนังที่นี้หมอผิวหนังก็เคยมาฝึกกับเราก็เลยชวนไปปฏิบัติธรรมเดีย๋ยวนี้เอาเหมือนตั้งมั่นได้เวลามีงาน ที่หอจดหมายเหติเราที่ น, นี่เอาเขาช่วยเป็นเจ้าภาพช่วยดูแลพระดูแลเจ้าให้ค่าใช้จ่ายเรืนี้เนี่ยนี่ยอยู่กับปัจจุบั น, นธรรมเป็นคนฟังเสียงของความคิดตัวเองฟังมันเดี๋ยวมันคิดละเดี๋ยวมันปรงแต่งละถ้าปฏิบัติธรรมแล้วมีอัตตาตัวตนกูก็รู้ละกูก็ไม่ไปกูไม่ยอมฝึกอะไรประมาณนี้ยธรรมะมันอยู่ในใจนอันนี้น่ากลัว ธรรมะองค์คุณธรรมของพระโสดาบันคือผู้รู้ธรรมะบ้างแล้วเนี่ยมีสุตตะมีศีลมีสุตตะศีลห้าเนรักษาดีอย่างนะมีสุตตะมีคนหนึ่งว่าจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยว่าจะมาปฏิบัติธรรมพอปีใหม่มีปัญหาโทรมาหาบอกหลวงตาโยมไม่ได้ไปนะ ลุงตาที่พอช่างมันเอคนไร้สัจจะลุงตาพูดนี้ลุงตาก็วางโทรศัพท์วันต่อมาตอนเช้าโทรมาตั้งแต่ตีสี่ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้แล้วผิดศีลไม่มีสัจจะลุงตาลืมไปแล้วลุงตาพูดอะไรกันแล้วไปนะไม่ได้ใส่ฐานใส่ไฟอะไรนะเป็นทุกทุกมาก แม่เขาโทรมาบอกว่าให้คุยกับเขาหน่อยเขาบอกว่าหลวงตาว่าให้เขาโอ๊ยกูลืมไปแล้วไม่ได้ว่าหลวงตาก็ว่าไปเนะี่ยมันจะไปปฏิบัติทําให้ได้เนี่ยโอ๊ยหลวงตาก็ว่าไปแล้วก็ว่าแล้วจบไปเนี่ยไม่ได้คิดอะไรนั้นไม่มีสัจจะ ก, ก็ไม่มีสัจจะแหะนึกว่าจะเข้าใจชีวิตว่าไม่มีสัจจะ ก, ก็สามารถพัฒนาต่อได้อยู่บ้านก็ทําได้อนะไรประมาณนั้น ไม่ได้คิดมากเพราะว่าคนอื่นพูดไม่เป็นไรเนี่ยถ้าครูบาอาจารย์พูดเขาเนี่ยเขถือว่าท่านคงคิดดีแล้วนะออกมาถึงว่าออกมาเพราะตึกว่าไม่ได้คิดเลยว่าไปเองมันว่าไปเองโดยนิสัยไม่นึกว่าคนจะเจ็บปวดนะทุกข์เนี่ยแสดงว่าเขาบอกว่าเขามีสัจจะในตัวเองเอาให้สัจจะว่าจะไปปฏิบัติทำอะไรวะนี่ ผมไม่ไปปฏิบัติธรรมอย่างนี้วผมจะวิบวัเลยไว่าอ๋อดีอ่ะเสียาดายกูไม่ได้พูดหลายครั้งเนาะว่ะถ้าบุญหลายครั้งมันบวชจนตายเลยจะดีอ่ะแล้วมีทานมีอันหนึ่งก็คือมีทานนะรู้จักทานคนที่เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะทานทําบุญทําทานเนี่ยทําดีจังอ่ะทําดีเพราะอะไรเพราะชีวิตที่เขามองดูแล้ววมันไม่มีอะไร แต่ว่าทานเนี่ยเขาจะทํำด้วยปัญญาเขาเรียกว่าวิจยทานังสุขตะปัสสัทธังทานในแบบที่พระสุคตสารเสรินรู้จักวิจัยวิจยทานังวิจัยในการให้ทานแล้ว่อาให้ทานอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์เอานครพนมทร ง, งเขาประกวดมันขึ้นรับดีเทอะว่าเมื่อตาควงๆนี่เอ้ย อธิษฐานในแม้เนรอสาธุถ้าข้าพเจ้าหลับตอนเช้าเนี่ขอให้พระเจ้าอย่าได้ผุดได้เกิดอีกเล ย, ยเรืออธิษฐานสาธุถ้าข้าพเจ้าหลับตอนเช้าเนี่ขอให้ฟ้าผ่าพระสงฆ์ที่นั่งอยู่นี่มันหลับได้หลับดีเนาะมันง่วงเนะี่ยอย่ามาง่วงฝืนต้องเห็นมันก่อด น, นี่ หนูต้องเห็นมันก่อนเห็นว่ามันเริ่มง่วงแล้วนะเห็นมันก่อนเนื่ออาการมันขึ้นเพื่อนตังตาหรือเกิดเพื่อตั้งจิตก่อนสังเกตตั้งแบบลบทิ้งลบกระดานทิ้งไม่มีอะไรแล้วดูอย่างมันมาเขียนตอนไหนมันมาเขียนใส่ใจเราตอนไหนเี่ยดูมันเนี่ยหรือจอทีวีเราปิดทับมันได้มีแล้วแมงหิ่งห้อยมันผลขึ้นมาตอนไหนเนี่ยดูมันเลใจลก็เหมือนกันสังเกตดูจอใจตัวเอง ขัดมันเบาไหวก็ลุกไปล้างหน้าส็แล้วล้างหนา้าดีแล้วค่อยเข้ามานะถ้าล้างธรรมดายังไม่ได้ออกไปใหม่เอาสันไลใสน้ำยาสันไลทูกขัดออกมันก็จะออกเองนี่บึงลงปูเพ่อนี่โอ้ยแอปแบลิลมองใกลๆมองไกลๆมันไม่อิ่มหมดเลยเนาะไม่ว่าลนะ ว้าเซ็กจัดก็ซํำเกา่าว้ากิเลสนะปัญญาหยาบก็ซ้ำเกา่าพูดสมองหมาปัญญาควายก็เหมือนเดิมเอาอยัางไงเนี่ยจำน่ายเหรอตื่นตัวขึ้นมองไกลๆถ้าางนั้นก็มาบวชเป็นพระซะจะได้มีโอกาสนั่งหลับหันหน้าเข้าฝาอันนี้มนมน์มนหันหน้ามารังแยดโยมนะเราก็หลับพอสมควรแล้ว มีแต่ทรมานแต่หลวงปู่สั่งนี่แหละผู้เดียวหันกลับมาบเฉพาะคนนี้หลวงปูง่ขึ้นบนชัยเวีนตาดำมากเมื่อนี้ปกติท่านจะมีเวีนตาดำไให้คนเห็นนะสร้างจังหวะนี่แต่คนก็รู้เหมือนเดิมเวลามือตกเนี่ยเนาะอันนี้ท่านสบายแล้วไม่เอามาท่านจิตของเราเวียนไหวยอยู่แค่นี้นะเวียนวไหวไปไมาเนี่ยตามอารมณ์นี่แก้ได้นะจํามันให้ดีหนึ่งกามมฉันทะสองพยาบาทหงุนหยิด สามถีนมิทธะง่วเหงาเนอนถีน่ะแล้วก็มิถีนั่นมาจากคำว่าไถ่นี่แหละผัวนี่เข้าใจคำว่าผัวไหมมาจากคำว่าอะไรผัวเมียหืมเราจำนึกได้เมื่อเช้านี้เดินจูงไปมาเอาผัวก็มาจากเราเพี้ยนน่ยจากคำว่าผู้มันมีตัวผู้กับตัวเมียสัตว์เนี่ยเ สัตว์นี้รียผู้ผูมันเป็นผัวมนะีผู้ก็มีเมียนี่สัตว์ตัวผู้็ัตวตัวเมียอันนี้ผัวนี่ผู้นะนี่เมียอนะไรอย่างเงี้ยมันเพี่ยนไปเรื่อยเรื่อยเพียนไปเรื่อ ย, ย, น, อยนะใส่ใจในการที่จะลึกรู้นะให้มันต่อเนื่องหนึ่ ง, งการ ม, มาฉันทะต้องล้างออกไปให้ใจว่างๆสอนถีนมิถะงวงอ้อนนอนต้องให้ใจว่างๆสาม มุ่นหญิดปฏิฆะเกียรติคนนั้นชังคนนี้เนี่ยอย่าให้มันมีให้มันว่างๆเมื่ทีนึกถึงใครทําอะไรขึ้นมามันวูบขึ้นมาทันทีอะนะปฏิฆะต้องเอาออกแล้วอุดทะจกบกุดจะพุ่งซ่านล้างมันออกเราไม่ต้องไปแยกแ ย, กแยกะไปนั้นขอแต่เรารู้สึกตัวเนี่ยมันจะสลายได้แทนสุดท้ายคือไอ้ความลังเลียนสงสัยเฮ้มันมีอิริติเห้เห็นไหม ปฏิบัติถ้ามันดับได้อีจะดับง่วงดับเงานี่มันก็เป็นมาติเกิดนันแบบนี้เนี่ยแต่พอมันเกิดปิ้งขึ้นมาโอ้ความเมืองเละสงสัยนี่หายไปหายไปเนี่ยมันหายพวกนี้หายไปมันดับได้เนี่ยมันจะเริ่มรูรูปนามแล้วมันจะเข้าสู่ขบวนการเป็นโสดาบันแะไรนี่เนี่ยมันจะเริ่มได้ดวงตาเห็นธรรมเลยเด้มันมันอยู่แค่เอื้อมเองตัดความง่วงความเงาความเบื่อความหน่ายความไม่รู้ตัวเนี่ยออกมาเป็นความรู้ตัวเฉยเฉยเนี่ย สลายมันออกมาเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆตัวเองแต่ว่าปัญหาที่จะตามมานะมีคนเก่าเยอะเนาะก็คือเรื่องนั่นแหละที่เคยว่าให้ฟังนะสังเกตดูดีๆมันจะเกิดมิปัสนูจะ่าไปสำคัญมั่นหมายในอาการพวกนั้นนะก็คือว่ามันมีมานเกิดขึ้นในตัวเราเองแต่ก่อนมานในเป็นพวกคนอื่นมาขัดขวางคนนั้นมาขัดขวางคนนี้มาขัดขวาง มานหมายถึงคนอื่นมีตัวมีทนแต่ความจริงเรียบเป็นมานคือเกิดกันในใจเรื่องของจิตของเราเองหนึ่งขันธมานเวลาปฏิบัติธรรมช่วงนี้มันจะมีขันธมานขันธมานก็คือร่างกายแล้วเริ่มเจ็บเรื่องปวดเริ่อเมื่อยแล้วเราก็จะแพ้มันน่ะมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันเจ็บต้องนั้นปวดต้องโอ๊ยมันคือยากแต่นั่นก็มันไม่เหมือนเดิมวิธีหลับเอาอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยขันธมาน มาในรูปขันนะเป็นอุปสรรคขัดขวางเดี๋ยวเจ็บโรคอันนั้นเดี๋ยวป่วยร่วงอันนี้คงไม่ไหวหรอกแค่นขาตีนมืออะไรต่างเนี่ยเนี่ยมันอ่อนเราถวยไปหมดนะปวดหูปวดตาเป็นโรคภัยไข้เจ็บสารพัด น, นี่เขาเรียกว่าขันธ์ามานันรูปประขันมันมารบกวนเราอย่าให้มันรบกวนนะปฏิบัติธรรมเนี่ยฝ่าไปให้ได้ฟืนไปให้ได้ตายเป็นตายบอกมันอย่างนี้ สองสังขารธรรมานไม่เป็นทุกข์เพราะร่างกายแขนขาเจ็บปวดพวกนี้แต่เป็นทุกข์เพราะสังขารปรุงแต่งมันปรุงนะ่ะมันคิด่ยนะคิดอดีตอานาคตไ่นะั้นเราพลาดแต่ไม่นด้คิดความลังเลสงสัยความไม่เหมือนใจ คิดไปเรื่องที่เคยมีเคยเป็นด้ยนะ่ยเนี่ยไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏวัฏสงสารจิตมันเคยไปไหนอ่ะเคยไปเมืองนอกเหรอเคยไปเมืองนอกมึ ง, มงคิดถึงภาพเมืองนอกเมืองไทยแล้วคิดไปเมืองไทยเคยไปเที่ยวที่โน่นที่นี่มันไปโมดเคยพูดเคยคุยกับใครไปนะเขาเรียก ว, ว่าสังขารประมาณสังขารมานมานคือสังขารคือความปรุงแต่งเนยะอันที่สามเทวผุตรมานไม่ใช่คิด สกปรกละมกทีนี้แต่เป็นเป็นความคิดดีๆอุดทะจักกุกุจักนะมันเหมือนกับตัวนี้เลยอ่ะตัวสังขารมารมันปรุงแต่งมันคิดมากแต่ถ้าเป็นปุถเทวปุตตมานทีนี้ก็หมายความว่าความคิดดีๆคิดดีๆคิดอยากทําบุญทําทานคิดอยากพาคนนั้นมาคิดเรื่องธรรมะคิดเรื่องบทสวดมนต์คิดนั่นคิดนี้ขึ้นมาเนี่ย เป็นมาดอีกเหมือนเดิมแล้วเนี่ยต้องอยู่เฉยๆให้ได้อยู่รู้ตัวให้ได้อะไรเกิดขึ้นต้องตัดออกตัดออกให้มันโล่งมันโปร่งอย่าไปคิดถึงโครโงการนั่นโครงการนี้ไปทํานวนทำนี้วางไว้ถ้าไม่วางมันไม่หยุดนะหยุดไม่ได้มันจะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยนี่ยต้องอยู่กับปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันขณะอันเนี้ย อยู่ได้น้อยนึงคิดไปแล้วบางคนเดินจุกรมยังไม่พ้ทางจุกรมเลยสงสารแหละบางคนจอบเอาเดินไปไน้น่าคิดเลยยังคิดเลยยังคิดเลยยังโอ้ยเดินไปได้หกเก้าคิดแล้วยังไม่สุดเส้นทางจูกรมคิดอีกแล้วช่างหัวมันเดอเวลาเดินจูกมอย่าไป่าจ้องแบบนั้นอย่าไปคิดแบบนั้นรู้สึกเฉยเฉยเนี่ยสังเกตตจนทีนี้มันมีภาวะหนึ่งนะถ้าตัดความคิดดีๆคิดนั่นคิดนี่ออกไปได้ พอมันว่างอีน้อยเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งมันจะตื่นตัวทีนี่นะมันผ่านแล้วมันจะตื่นโพงสว่างขึ้นมาเราเรียกว่าอภิสังขารมานหมายถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตทีนี้่ตัวนี้มันจะทําให้เราหลงหลงลืมรู้สึกตัวเนี่ยมันจะไปยินดีกับมันจิตมันรุดไปในนั้นมากโอ้คือขัก้นลยเนี่ยโอ้ไม่เคยเห็นก็มันไปแล้วนี่ตัวรู้สึกตัวมันไปแล้วสามสิเปอร์ซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นต เดี๋ยวมันก็มีความสุขมันมีพลังของมันในตัวนะเวลามันเกิดโอภาสเกิดยานเกิดปิติเกิดปัสฉิทขึ้นมาเนี่ยเกิดแจ่มแจ้งเกิดอะไรขึ้นมาเขาเรียกว่ามารอภิสังขารไอ้ตัวปรุงแต่งแบบวิเศษแบบอย่างยิ่งที่ไม่เคยเจอมันจะปรากฏเกิดขึ้นในจิตความโล่งความโปร่งความเบาเอ้ายังไม่เคยเป็นดันเป็นขึ้นมาเรากจะติดมันอะทีนี้พอเราไปหลงปุ๊บสติก็จะหายะ เราชอบไปดูแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมมันจะเป็นอะไรอีกเนี่ยพอมันห ล, หลุดเข้าไปไปอยู่ในกระบวนการนั้นมากขึ้นมากขึ้นมันจะหลุดไปเลยทีแรกจหาปอร์็นสิบเอร์เนยี่สิบเปอร์ซ็นสามสิอร์ซ็าไปมานี่หน่อยหายวับไปเลยนั่นต้องรู้สึกตัวเฉยๆไอ้นี่ดูมันเฉยๆทำให้มันเป็นชานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าขึ้นมาเลยก็คือ พอรู้สึกตัวตุ้พร้อมทีทีเดียวเท่านั้นแหละมันเหมือนจะเหาะได้เนี่ยตัวเบาอพอรู้เท่าท่านโอ้มันจะเป็นวิปัสสนูนั่นเนี่ยก็อยู่กับปัจจุบันถอนตัวปีติออกนะถอนปัสสิทิออกถอนความสุขออกให้มีแต่ตัวรู้ล้วนดูมาเนี่ยดูขันห้าดูข้ามความคิดซะน้อยเวลาความคิดเกิดเนี่ยข้ามลมหายใจหนึ่งเนี่ยมันจะ ทะลุ tyard, มันจะปิง้งเป็นระดับเป็นระดับเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเว้ยจิตมันจะตื่นเว้ยเป็นแบบนั้นน่ะมันเหมือนข้ามอะไรได้สักอยา่างสักอยา่างสักอยา่ยางเป็นชั้นเป็นชั้นโอ้ตัวนี้ก็หายไปแล้วตัวนี้ก็หายไป neatly, เบาขึ้นมาแตดีเลยเวลามันเปลี่ยนแต่ละครั้งนี่เหมือนเราถือของหนักๆมาแล้วทิ้งของหนักลงเนี่ยมันจะเบาขึ้นมาทีหรือเหมือนเรานุ่งเสื้อนุ่งผ้าเต็ม ใหญ่โตหนักอึ้งเลยนะชุดหมีชุดอะไรอยู่ๆก็หลุดพวหลุกไปแล้วเบาขึ้นมาเดี๋ย้อ๋ไปแล้วกิเลส ต, ตัวนี้ก็หายไปแล้วตัวนี้ก็ดับไปแล้วนะมันจะดับไปมันหายไปอ่ะจิตมันก็จะเกิดการตื่นตัวขึ้นมาดีนี้เห็นชัดโอ้กิเลส ต, ตัวนี้ก็ดับไปนึงแต่ไปแต่ก่อนเคยมีร้อยกิโลกิเลสเราเหลือห้าสิบนะเหลือสามสิบนะเหลือยี่สิบนะเหลือสิบกิโลเนี่ยก็ทําอีก นั้นเอตัวตัวนี่ปฏิบัติไปยังไม่รู้ธรรมะอดีตอนาคตนี่หนักแล้วถ้าพอรู้ธรรมะขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมาติดไอตัววิปัสสนงนยตัวมารที่เรียกว่าอภิสังขารละมารเนี่ยเรื่องสำคัญนะอันเนี้ยนั่นอย่ไปติดมันคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างตัดออกให้หมดนี่จะรู้สึกตัวอย่างเดียวบางคนพอมัน เกิดปัญญาปิ๊งขึ้นมาเนี่ยมันจะเงยียบเลยนะจิตเนี่ยไม่มีอะไรเลยความคิดอยากให้คิดมันก็ไม่คิดอยากให้ปรุงแต่งคิดถามก็มไม่มีงตานจนกระทั่งว่ามันนิ่งมากเหมือนไม่มีอะไรฮะมันมีความรู้สึกอยู่หรือเปล่านี่ยมันเป็นตัวตนหรือเปล่าจนกระทั่งว่าเอาแขนนี่ยัดเข้าไปในกองไฟลองดูอ่ไปอยู่ในป่าเนาะจุดไฟมันหนาวอะ่ะเดินจะกะมันเกิดได้ลงเฮ้อ มันเหมือนเบาเหมือนไม่มีตัวตนเท้าก็แทบไม่ติดพื้นนะไมนมีเลยเลยสอดไป <c oughs> ได้แต่กลิ่นขนไฟไหม้เต็ไมไปหมดเลยนะ่ะหอมกลิ่นโปรตีนเนี่ยนะเฮ้ย <c oughs> มันก็ยังเจ็บอยู่นี่แต่ถ้ามันเฉยหมดอนะ่ะอย่างงี้กูจะทำงานได้หรือเปล่าเนี่ยไม่มีความคิดความมา่นนะ <c oughs> มารูนี่แต่ลูเช่ๆก็ไม่มีอะไร เม้นบางทีเราเขามีความลังเลสงสัยความไม่มั่นใจจิตมันก็จะออกนอกซะทีนี่แทนที่จะเอออะไรเกิดขึ้นก็ดูเฉยเฉยเฉยเฉยไอ้ที่มันเฉยมากๆหลวงตาปฏิบัติทำสมัยรู้รูปนามแล้วโดนฟ้าผ่ามีลอฟ้าผ่าเนี่ยมันจะเป็นภาวะที่มันไม่มีอะไรในหัวเลยนะมันรู้แล้วมันได้มีแต่มันคิดหาี่ยมันก็ไม่เกิดนะคือพยายามที่ให้มันเป็นรูปขึ้นมาในหัวหน่อยเนี่ยมันจะไม่มีเลย หามันก็ไม่เห็นคิดให้เกิดมันก็ไม่เกิดนึกถึงคนคนนี้มันชื่ออะไรก็มันมนะเมื่ อ, อไรมันจะขึ้นมานะั้นสัญญามันไม่มีเลยสัญญาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอ่ะสรงขานปรุ ง, รงแตง่งงก็ไม่มีแต่มันจะค่อยๆขึ้นมาแต่มันจำหย่อมคนเดียวคือรูปนามรูปนามมัน จ, จำอยู่ไป น, นั้น่หละแล้วจำชื่ออาจารย์ ได้สองอันรู้แต่รูปนามกับจําชื่ออาจารย์มันจำไม่ได้มันไม่จําอ่ะมันนั่งคิดหามก็ไม่เกิดทําให้มันเกิดมันก็ไม่เกิดอยากคิดมันก็มันก็เฉยเฉยมันไม่มีอ่ะคือมันเหมือนลางสมองไปเลยนะรองดูดิญาติโยมปฏิบัติทางรัดเอาไฟฟ้าช็อตเอาแล้วมันจะโล่งเลยหัวเนี่ยดวงตาไม่ใช่ ไฟฟ้าไม่ใช่ไฟฟ้าอันนี้นะไฟจากเมฆนอั่นเดินจะกรมเดินไปเดินมาด้วยแปลงฟนันรู้สึกอาบน้ํารู้สึกเอาฝนตกอ่ะเฮ้ฝนมันตกเ น, น, นาะอาบน้ําดีกว่าวะถ้าฝนหยุดตกแล้วมันนานอ่ะมันหนาวมันเลยลองอาบดูบีพออาบน้าไปอาบน้ําในที่โล่งๆอาบน้ําเสร็จปุ๊บก็ถือขันเดินเข้ามาที่กุฏิกุฏิก็ไม่มีอะไรลมงงยาก ก, ก็ตอกกระแทบนี่นีิดน้อยนิดนะ พอเดินโน้ตปังดันดีเลยกระเด็นกระดอนไปไม่รู้อยู่ทางไหนลองเท้าเนี่ปลิวไปไม่รู้อยู่ที่ไหนนะยเหลือข้างเดียวอยู่ในเท้านี่แต่มันฟื้นขึ้นมาเองหลังจากนั้นประมาณชั่วโมงมีแต่แผลขาฟาดไปโดนต้นไม้ไหนไม่รู้หมอบนะเขาว่าจมกองเลือดไม่เลือดก็ไม่ท่วมไปนั้นหรอกแตว่าเลือดมีแต่เลือดกับเลือดนะ วอกูเป็นใครวะตื่นมากูเป็นใครใครเป็นข้าข้าเป็นใครดีหน่อยนะตอนฟ้าผ่านะนุ่งผ้ากระเตี่ยวพอดีนะดีมันไม่หลุดถ้าหลุดก็มาล้โอ้ยอายย้อนหลังนะนี้ไม่มีใครมาเห็นเลยอะ่ะไม่มีใครเลยมันฟื้นเองแต่คือฟื้นขึ้นมาแล้วก็โล่งอยู่แบบนั้นแหละจําใครไม่ได้เลยจําไม่ได้สักคนไม่จําใครเลยอะ่ะ แต่จะเห็นแสงหน่อยไม่ไ้เมื่อมันสะท้อนมนเข้าไปในตาเยอะเกินเนี่ยมองไม่ได้พ้าผ่านกลัวแสงนะบานนอเกินว่ามันเหลื่อมตาภาษาไทยว่าไงนะลงปู๋เคยไปกรุงเทพเน่ะเลื่อมตาฮะว่าไหนเลื่อมตาเนี่ยแมฮะว่าบานนอกคือกันนั่นแหละเนาะไม่ได้ไดนะเนี่ย ภาษาไทยคนกรุงเทพเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเอ้าพยาบาลเนี่ยว่าไงนะเลื่อมตาบ้าไม่ได้แสบเลยมันเหลื่อมตาเด้แสบก็คือแสบไปนี้นนแหละเนี่ยหนองลูกโป่หรือว่ามันเสียยวตาหรือยังไงมนะันพูดไม่เป็นน่นะฮะแต่ว่าคําที่พูดออกมาก็รูว่าเหมือนมันไม่เข้าไปถึงอาการอ น, นั้นนะ่ะเหมือนเขากินเขาน่านั่นแหละ ทางโน้นก็จะพี่อร่อยํำหุงนี่อร่อยบ่อร่อยแซบบ่แซบแต่ว่าเพื่อนต่ำเนี่ยว่านัวเนี่ยถ้านัวนี่เกินแซบก็ไปอีกนะใช่ไหมอนัวนัวคักนะมันไม่รู้ไอ้ ทัานอาการพวกนี้เกิดขึ้นบางทีเราก็ดีใจลราภูมิใจนะว่าเราได้มีได้เป็นโอ้ยขูเป็นนาะขูมีนาะภูมิใจบางทีนอนก็ไม่หลับนะเวลามานอนมันไม่หลับยิ้มอยู่คนเดียวน้อยังมีความสุขในอชีวิตเอา น, นี้มันไม่มีทุกข์เอาเลยนาะเมื่อก่อนเนีอ่อยู่กับความคิดอยู่กับความคิดอยู่กับความคิดอยู่ความปรุงแต่งนึกถึงพระมหากัปปินะสมเด็จราชามหากัปปินะ พอบวชแล้วไปอยู่ที่ไหนก็สบายมีแต่ความสุขท่านได้ชอบเป็่งอุปทานเสมอเป็่งอุปทานอุทานออกมาว่าสุขนาสุขเนาะไม่ต้องมีทหารคอยดูแลบวชแล้วเนี่ยกินข้าวกินมื่อเดียวกับีคกนมันสุขเพราะมันไม่มีทุกข์นั่นเองเทุกข์มันไม่มีในใจเนี่ยมันไม่มีอดีตไ ม, ไม่มีอนะไรคดรู้แต่อยู่กับปัจจุบันขณะจิตเฉยๆเนี่ย จิตมันไม่มีอะไรที่จะคิดเพราะมันว่างของมันเองเหมือนมันสำลอกกิเลสออกเนี่ยเหมือนเราเป็นโรคเนาะพอเป็นโรคแล้วก็กินยาหรือหมอล้วงปากล้วงท้องก็อาเจียนว้าออกมานะเห็นหมามันกินหญ้าแล้วมันอาเจียนเนี่ยโอ้โประทับใจนะมันสำลอกทุกข์ออกไปเราก็เหมือนกันพอเรากินอาหารผิดเรากินเนีนี่อาเจียนออกไปเพราะสบายท้องอะมันสบาย มันไม่มีโรคที่ไม่มีเงื่อนไขปัจจัยที่จะทําให้เราเจ็บท้องอีกแล้วมันออกไปแล้วอาเจียนออกดีกว่ากินนอฟอกนะมันออกไปแล้วมันไม่มีอ่ะมันว่างอาเจียนออกมันทั้งว่างทั้งอะไรในแต่ละข่าเชือช้อเฉยๆนี่เชื้อมันออกไปอยู่ข้างนอกมันไม่มีเชื้อในตัวเราสบายนั้นนอนก็ยิ้มไม่หลับหรอกไม่ได้หลับแต่มันก็ยิ้ม สบายตื่นขึ้นมาก็ตื่นเลยไม่รู้สึก่าง่วงเวลาง่วงมันจะมีง่วงน้อยเดียวแล้วก็หลับไปตามธรรมชาติแต่ก็รู้สึกเวลาตื่นนี่รู้สึกทันทีอะตื่นมาโอ้มันโปรง่งเนาะมันโลง่งเหมือนจิตนอนพักผ่อนน้อยนึงเนี่ยจะมันมก็ตื่นเนี่ยฉะนั้นคนปฏิบัติธรรมแล้วจะเป็นคนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยทํางานนะพระนอนสี่เศรษฐีนอนหกยายจกนอนแปดชั่วโมง ละนอนสี่นอนสี่ชั่วโมงนอกนั้นใช้เวลาทํางานเพื่อสังคมหมดเลยพระพุทธเจ้าเศรษฐีนอนหกคนน่าคนรวยคนมีการมีงานทําคนนั้นคนนี้นักบริหารนักจัดการนะพระราชามหากษัชท์อะไรต่างเนี่ยที่เขาต้องบริหารต้องดูแลต้องควบคุมกาจัดการสังขารสังคมเนี่ยเขานอนหกชั่วโมงหกชั่วโมงพอแล้วเรามาเป็นมาุนปฏิบัติธรรมเนี่ยจากที่สามทุ่มสามทุ่มเนี่ยก็ถือว่าหกชั่วโมง แต่ส่วนมาเวลากลับไปแปรงฟันบ้างอาบน้ำมาก็เหลืออยู่ประมาณห้าชั่วโมงวันนั้นแหะนั่นห้าชั่วโมงชีวิตเรก็ยังมีอยู่ได้ดําเนินไปได้ยังสะดวกสบายมันสบายแล้วไปบ้านทำํำไมนอนเยอะจังอะ่ะโดยเฉพาะวันเสาร์ที่นอนนอนเป็นนอนตายอะน่าสงสารนะไรสาระจริงๆน่ะแทนที่เราขึ้นมาถูบ้านดูเรือนทําความสะอาดปัดกวาดทําน่ทนทำนี้หรืออย่างนั้นก็คือเดินจงกรมซะตื่นนะเดินจงกรมขึ้นมาทําความเพียรมันก็ไม่เป็นน่ะ อยากให้มันมีอยากให้มันเป็นชีวิตเนี่ยฝึกฝืนเพราะมนุษย์เนี่ยท่านเตีโตเสรถโโมนุษย์เส ส, สุในหมู่มนุษย์คนที่ฝึกตัวเองเนี่ยจะเป็นผู้ที่ประเสริฐประเสริฐก็คืออยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ไม่ใช่เป็นคนดีนะคนดีไม่ใช่คนประเสริฐคนประเสริฐไม่ใช่คนดีนะแต่บางทีก็คนดีนั่นแหละแต่มันสูงกว่าดีเป็นประเสริฐซนะแต่ถ้าคนดีเนะี่ยยังทุกข์อยู่ทุกข์พาะอะไรเพราะยังทําดีและติดดี คนประเสริฐนี่อยู่เหนือและหลายคนนะทําการทํางานนี่ที่เป็นทุกข์ไม่ใช่ทุ ก, ทกเพราะอย่างอื่นนะเพราะติดดีเพราะติดดีดดแล้วตัว น, นี้ยังทำดีคนอื่นเขาไม่ทําดีด้วยเป็นโทกเนี่ยล่าออกล่ออกอยู่นั่นแหละไม่เอาแล้วเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ดีจริงๆฮะท่นสังเกตดูนะสิ่งที่มันจะเกิดมันเป็นมารเป็นนกเป็นมากอะไรมันออกและสุดท้ายมารตัวสุดท้ายก็คือความมัจจุมานมัจจุมานก็คือความกลัว กลัวนะว่าหิยัยนบรรลุธรรมวะบางคนก็มีนะปฏิบัติทำมัหลายคนนะั่นเร็วนี้เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นว่าหลวงตายยมไม่เอาละเป็นไรจะบรรลุธรรมยานบริรรบัรณ์เขาพูดนะบรรลุธรรมเนี่มันจะแย่เนี่ยยังเสียดายโลกี้อยู่เนะนีนะมันกลัวไม่เคยแบบนี้จรงดี หรือมัจจุมาในแปลว่าเลิกล้มความตั้งใจเริ่มร้มการกระทําตัวเองบางคนปฏิบัติแล้วเลิกเลยไม่ทําเลยคือตายไปจากมรรคผลเองคําว่าตายเนี่ยมัจจุมาคือตายไปจากมรรคผลเลิกล้มเที่ยวบัพุตตมานบางงานนี้ก็คือนอกจากคิดดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนนั้นเกิดโทรศัพท์มาคนนี้ก็มาบอกคนนั้นก็มาชวนมันเหมือนเท ว, วดาคนข้างนอกมาบอกมาข่าวอะไรประมาณเราก็ติดอารมณ์ไปซะนั้นปฏิบัติทำเลยเขาไม่ให้ยุ่งไม่ใครมาหา ไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยไม่ต้องรับโทรศัพท์ไม่ต้องอะไรกับใครอยอยู่กับปัจจุบันตัวเองเฉยๆยเนี่ยใช้ได้ถ้าเราไปยุ่งไปวุ่นไปว่อนมันก็ยากลำบากจนตั้งถึงอย่างว่าและเลิกล้มความตั้งใจหยุดไม่ปฏิบัติทำแล้วเลิกละนะหรือบางทีก็กลัวมาจุดทยังสุทุตตลังข้ามพ้นความกลัวได้ความกลัวที่มันอยู่คือความกลัวตาย นอกนั้นก็กลัวเป็นกลัวจนกลัวอะไรมันต่ําลงมาอันนี้นั้นระลึกรู้ลองดูดิชีวิตเนี่ยถ้าเรารู้อย่างหลวงตาพูดว่าเรียร่ยวเรือของมันมันเป็นแบบนี้แบบ น, แบบนี้แบบนี้นะเนี่ยจิตเราติดก็ติดแบบนี้นะติดในกรรมในกายในรูปกามบาราคะกรร ม, มฉันทะจะไปยุ่งกับมันนะ่ะเราปล่อยมันไปปล่อยมันไปปล่อยมันไปไม่สนใจกับมันอยู่กับความรู้สึกตัวเฉยๆถามว่ามันมีไม่ในตัวมี แต่อยไปยุ่งก่อนเหมือนรถยนต์นี่แหละเขาวิ่งผ่านมาจะไปขึ้นถ้าขึ้นนะมันก็พาไปหาทุกข์แล้วรถคันนี้ยรถคันนี้มันจะพาเราไปหาความทุกข์เราจะไปตามมันจะไปขึ้นถ้าเราไม่ขึ้นก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราขึ้นมันมาจอดมันกลายเป็นรถราคะรถโทสะรถโมหะนะเดีนะ๋ยวนี้ใจเราที่มันวิ่งมาเนี่ยมันบรรทุกมันยังกับรถขยะเทศบาล น, นะ ทั้งเหม็นทั้งอะไรดีไม่ไ้เราขึ้นไปก็อา้าวตายพอดีะไรอยู่ในนั้นเราไม่ได้จำเป็นมา น, นั้นแต่เราก็หลงหลงขึ้นไปอยู่ในความคิดตัวเองว่าพาไปนะตกลุตลมตกร่องไปนั่นใส่ใจรู้ตัวเฉยๆเนี่ย